234พันธุ ก, กรรม heredity จึงต้องถ่ายทอดเชื้อทางกรรมดังนั้นคำว่ากรรมพันธุ์หรือพันธุ ก, กรรม heredity จึงไม่ใช่เรื่องการถ่ายทอดเชื้อพันธุ์แค่ทางร่างกายคือทางสรีระ body เท่านั้น แต่เป็นการถ่ายทอดเชื้อพัน์ทางกรรมคือการกระทาดีดและจะต้องถึงขั้นแก้พฤติของจิตวิญญาณคือตนต้องทำใจในใจมณ ะ, ะสิกรโรติของตนเองด้วยวิชาจึงจะแก้มโนกรรมของตนเองให้สูงขึ้นได้จริง สามารถเปลี่ยนแปลงเชื้อพัน์ที่ถ่ายทอดพันธุกรรมได้แท้ส่วนคนที่ยังอวิชัยยังทำใจในใจมณสิกโรติของตนเองไม่เป็นนั่นคือยังอโยนิโสมณสิกานยังไม่สามารถปฏิบัติ จ, จิตใจของตนเองได้อย่างสำ ม, มาทิฐิ ก็ไม่มีทางทำจิตใจให้เจริญไม่ถึงนิพผ่านแน่นอนนักปฏิบัติสมาธิทั้งหลายล้วนทาใจในใจมนณะสิกรโรติของตนอยู่กันทั้งนั้นแต่เพราะตนยังอวิชชาหรือยังมิฉาทิฐิซึ่งไม่สามารถรู้จักสักกายะที่เป็นตัวกิเลสของตนด้วยซ้ำ ตนจึงไม่อาจจะควบคุมกิเลสก็ปล่อยให้กิเลสมันเป็นเจ้าอำนาจบงการการทำใจในใจมนสิการของตนผู้อวิชชาเพราะรู้วิธีทาผิ ด, ผดหรือไม่รู้วิธีทมดังนั้นใจหรือจิตวิญญาณจึงเป็นจุดสำคัญโดยแท้ ที่จะมีการทำกันตรงใจนี้เองมานสิการซึ่งการกระทำแม้จะมีการทากันทางวจีกรรมและทางกายกรรมได้แต่ยังกมจัดกิเลสในใจตนไม่ได้อย่างถูกตัวตนของจิตวิญญาณแค่ทำได้ทางกายกรรมวจีกรรม จึงไม่ใช่เครื่องตัดสินเผ่า พ, พันธุ์อย่างแท้จริงเลยต้องมีการกระทมคือกรรมถึงขั้นทำใจในใจมณะสิกโรติเป็นจริงจริงขั้นทำมโนกรรมกันจริงจริงทำใจตนเองด้วยวิชาแปดตั้งแต่ข้อหนึ่งได้แก่มีวิปัสนาญาณ รู้ใจที่เป็นกิเลสรู้วิธีปฏิบัติที่จะกำจัดกิเลสได้ด้วยพลังสมถะก็ดีพลังปัญญาวิปัสนาญาณปัญญีสีปัญญาพละก็ยิ่งสำคัญเช่นพลังมโนมยิทธิญาณอิทธิวิทายญาณเป็นต้น และรู้ข้ออื่นต่อๆไปทีเดียวจึงจะเกิดเป็นผู้มีใจสูงเรียกว่ามนุษย์หรือเทวดาขั้นอุบัติเทพวิสุทธิเทพได้แท้ถ้าไม่มีวิชากรรมของตนก็เสื่อมต่ำลงไปเป็นสัตว์รกที่เป็นสัตว์ในกาภพบหรือสัตว์ในรูปภพอะรูปภพก็ตาม อวิชาของตนที่มีอยู่จริงล้วนมีพลังงานไปถึงการกระทาทั้งนั้นซึ่งเป็นเรื่องลึกละเอียดเข้าไปถึงขั้นมนโนกรรม